ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2547รเมีชื่อเรื่องว่าห้ามพระสงฆ์แสดงฤทธ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 ละไปหรือศึกษาไม่จริงจังอันนั้นแปลว่าศรัท ธ, ธาคลอนแคลนศรัท ธ, ธาไม่ตั้งมัน่นใครมาโยกคอนไปทางไหนก็ไปตามนั้นโดยมากชาวพุทธของเราจะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างมากมีแต่สาหรับนักปฏิบัติหรือนักภาวนาที่สนใจจริงนั่งภาวนาถึงจะอยู่ในบ้านถึงจะอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม ถ้าว่าตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติแล้วนั่นน่ะคนอย่างนั้นแ่ะจะเป็นผู้เชื่อมัน่นถอนไม่ขึ้นจะไปถอนขึ้นยังไงเหมือนกับเราเห็นไฟเนี่ยรู้ว่ามันร้อนเราเห็นว่ามันร้อนเราถูกยี่แล้วมันร้อนใครจะว่าเย็นขนาดไหนในใจขอเราเชื่อว่าอันนั้นคือมันร้อนนี่ก็เหมือนกันคาว่าเรื่องเป็นบาปเรื่องบุญ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 ถ้าหากว่าเราพิสูจน์ด้วยตนเองเราไต่ตรองด้วยตนเองถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วมีจริงไห ม, มก็จริงถ้าเราไปลักไปพ้นไปจีบไปขโมยไปทําในสิ่งที่มันดีผิดกฎหมายกฎหมายเขจะลงโทษทันทีในปัจจุบันถ้าหากว่าในชาติหน้านั้นลงโทษไปอีกในระดับหนึ่งถ้าเราทำกรรมดีละ่ะ สร้างคุณนามความดีไปที่ไหนมีแต่ให้ความผ่มเย็นเป็นสุขสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ใช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีโทษทํากรรมดีนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่อแบบหลวงพ่อพูดอย่นี้หรืออาจารย์อาตมาพูดอย่างเนี้ยท่านก็ไม่ให้เชื่อเลยนะ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 แต่ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันอยู่เรียกว่ารูปประธรรมนา ม, มธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนา ม, มธรรมคือจิตใจแต่ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันอยู่ไม่ได้แยกจากกันถ้าว่านา ม, มธรรมแยกออกจากกายร่างกายนั้นก็หมดสภาพตายเพราะว่าใจออกจากร่างแนละ้วเหมือนกับคนออกจากรถอย่างนั้นรถมันก็หยุดมันไปไม่ได้แต่ถ้าว่า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 นามธรรมนั้นไม่ตายไปปฏิสนธิไปเกิดที่อื่นอีกตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ทำดีบุญกุศลก็เข้าไปสวมใส่พาไปเป็นบุญกุศลเป็นผู้นาทางแต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็เขามาล็อกตัวของเราพาไปในทางทุคติไปเกิดเป็นช้างม้าโวควายหมูม้มาเป็ดไก่ตกนรกหมกไหม คือกรรมชั่วพาไปถ้าว่ามีกรรมดีพาไปก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมจนถึงเข้าสู่พระนิพพานได้อันนี้คือบุญกุศลพาไปเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายให้ศึกษาอย่าเพิ่งปฏิเสธให้ศึกษาว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจริงมากน้อยแค่ไหนอย่าเพิ่งดวนเชื่อที่พระพุทธเจ้าไมให้เชื่อตามครูบาอาจารย์บอกกล่าว ไม่เชื่อตามตำ บ, บตรามาอย่างเนี้มี่หลายหลายอย่า ง, างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นจะเชื่อต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งใจลงมือภาวนาให้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในเมื่อรู้ได้โดยตนเองแล้วนั่นหละความเชื่อจุดนี้หละถอนไม่ขึ้นทีนี้เชื่ออย่างจริงจังไม่ใช่เชื่อแบบลอยอยไม่ใช่เชื่อแบบ เขาพาว่าไปก็เชื่อไปตามเขาที่เขาพูดถ้าเชื่ออย่างนั้นเลยเพราเชื่อไม่หนักแน่นถ้าว่าเชื่อในภาคปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังแล้วนั่นละ่ะเป็นความเชื่อที่จริงจังที่แน่นอนเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้พิจารณาถึงการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยนะนะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงแก่แล้วเป็นยังไงเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงตายเป็นยังไง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 สัตว์ทั้งหลายช้างหมาโบกควายหมูหมาเป็ดไก่มนุษย์นี่แหละในน้ําก็มีสัตว์ตายอยู่บนภูเขาก็มีสัตว์ตายเพาว่าสัตว์คํานี้มนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันสัตตะได้บอกผู้ยังคงในภพในชาติในวัฏสงสารยังค่องอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ว่าสัตตะยังค่องอยู่นะพวกเราทุกคนนะเป็นสัตว์ทั้งหมดยังคองอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นในภพในชาติถ้าาว่าท่าน ตัดภตัชาติเป็นพระอาหารหันได้แล้วไม่มาเวียนไหวตายเกิดอันนั้นเรียกว่าเป็นอริยะบุคคลไปแล้วจ้ะเนี่ยอริยะบุคคลผู้สูงสุดแล้วตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแต่นอกจากนั้นแล้วเป็นคติไม่แน่นอนพร้อมที่จะมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการสูงสู ง, สงต่ําๆำลุ่มลุ ม, ลมดอนๆอนไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหม ให้เกิดเป็นสัตว์ที่ฉานหลายหลายประเภทนานาชนิดเพราะนั้นปัตะสงสารนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังท่านบอกว่ากระดูกของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยถ้าหาว่ากองกองกันไว้ไม่ละลายไม่แตกไม่ละลายมันจะสูงเท่าภูเขาการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ชาติมากถึงขนาดนั้นในโลกนี้ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีสัตว์ตายมีทั้งหมดท่านยังพูดว่าพระอานนุ์ อายุของท่านร้อยปีนะเห็เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นอายุ80ปีท่านก็ดับขันปริมีพานแต่พระอานุ์เมื่อพระพุทธเจ้าดับขันปริมีพานแล้วพระอานนุ์ยังยืนไปอีกถึง120ปีแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปริมิพานแล้วพระอานุ์ยังยืนไปอีก40ปีว่างั้นเถอะเพราะนั่นท่าน แนะนำสั่งสอนผี่น้องประชาชนญาติโยบในทุกยุคสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วพระอา น, นุ์ก็ยังอยู่เป็นพุทธอุปทาศเห็นพระอา น, นุ์ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า, ก, ากราบไหว้สักการะอุชาในพระอานนุ์ผลในสุดพระอา น, นุก์ก็ก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็มาอยู่ฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝั่งคือกรุงกบิลพั์กับเมืองวิเทหะพระอา น, นุ์ก็ ท่านตรวจตาดูชีวิตของท่านแล้วเนี่ยคือพระอรหันเนี่ยเวลาท่านจะล่วงรับดับขันเนี่ยท่านจะตรวจตาดูนะว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่หมดอายุหรือยังอย่างเนี้ยท่านก็จะตรวจตาดูชีวิตของของท่านพราะท่านมีญาณทัทสนานแต่แล้วท่านก็บอกว่าอีกอีกเจวันนะเราอาโนนจะมรณภาพจะตายแล้วทีนี้คนทั้งสองฝั่ง ก็เป็นฝั่งข้างนู้นวิเทหะเป็นเชื่อทางแม่ทางนี้ก็เป็นเชื่อทางพ่อเป็นเชื่อพระวงท์นี้ทางนู้นเขาก็บอกว่าท่าน อ, อนุนต้องมาปรินิพานฝั่งเราทางฝ่ายทางนี้ก็บอกท่าน อ, อนุนท่านต้องมาปรินิพานด้วยตายฝั่งเราปีติภาโนนก็ดูทั้งสองข้างออทางว่าเราปรินิพานข้างใดข้างหนึ่ง ตายข้างใดข้างหนึ่งต้องเกิดศึกแน่นอนพระนนคือการจะแย่งกระดูกกันว่างั้นลแย่งศีระพระอนท์ในพระนน์ก็ถึงเจดวันแล้วเราจะต้องแบ่งภาคร่างกายให้เป็นสองภาคาจากนั้นพระนนท์ก็ขึ้นสแสดงฤทธ์นั่งอยู่บนอากาศว่างั้นนะสูงสามต้นลำตานจากนั้นพระนน์ก็เทศนาวาการบอกว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแพ้แน่นอน เราจะต้องปริมิพานแล้วถึงการเวลาและอยู่ไม่ไหวแล้วอายุร2 0ยี่สิบปีแล้วหมดสภาพแล้วร่างกายนี่พอเทศนาว่าการจบแล้วท่า น, นก็บอกว่าอย่าประมาทนะชีวิตของคนเราถึงจะยืนขนาดไหนก็อต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละร่างกายต้องแตกเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแหละไม่มีใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายในเมื่อพระอานอนท์เทศทั้งสองฝ่ายได้ยินทุกคน จากนั้นพระอนนานนท์ก็เข้าเตโชทาต์ว่าไงเผาร่างกายของท่านเองให้แตกเป็นสองภาคกระตกไปทางนู้นส่วนตกมาทางนี้อีกส่วนหนึ่งคือให้ส่วนญาติทางมารดาและญาติทางบิดาอันนี้คือพระอานนเนี่ยปรินิพานว่าตายในสิ่งที่คนตายได้ยากในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองสามท่านนะที่ปรินิพานอย่างที่วา่าที่จําได้ก็คือจันตติมหามาตท่านหนึ่ง แล้วกับพาพากุระท่านหนึ่งที่ว่าเหาะขึ้นบนอากาศแล้วอธิษฐานจิตให้ไฟไหม้แล้วก็ตกลงมาไม่ต้องได้เผายากเหมือนกันเด้อเข้าเตโชกสินถ้าจะว่าไปแล้วก็พวกเราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นทางว่าพวกเราเกิดในยุคสมัยนั้นพวกเราก็คงจะเชื่อได้แต่พวกเราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นมายุคสมัยนี้พูดเถอะพวกเราก็คงจะว่าเหลือเชื่อ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 ท่านว่าฤาษีชีภัยในยุคสมัยนั้นแสดงฤทธิ์ได้เมื่อเขาอยู่ในป่าภาวนาเป็นกสินเกิดยานเกิดฌานขึ้นมาทํำคนหนึ่งให้เป็นสองคนแสดงฤทธิ์หายหตัวได้เหาะได้มีเป็นของธรรมดาธรรมดามากในยุคสมัยนั้นอันนี้เราอิทธิ ป, ปฏิหารอเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้เมื่อเห็นหน้าแล้วก็มองดู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 ไม่รู้จักคุณบิดามารดาไม่รู้จักไวยวุฒิคุณวุฒิไม่รู้จักความดีความชั่วแต่อธิบายให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้พระพุทธเจา้าท่านว่าประเสริฐกว่าดีกว่าปฏิหารสองอย่างข้างบนคือถ้าเปรียบเทียบเทียบที่อาตมาพูดเบื้องต้นว่าพระอานนท์ท่านปรินิพานในในกลางอากาศอันนี้ถ้าพวกเราในยุคสมัยนี้พวกเราก็เออเหลือเชื่อเนะ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 หมื่นกิโลอย่างนี้ยที่มีคนเชื่อหรือเปล่าเนาะหลวงพ่อคิดนะคงจะหาคนเชื่อได้ยากเพราะนั่นท่อนเหล็กมันจะขึ้นได้ยังไงมันจะบินได้ยังไงจะใช้น้ามันอย่างไรแต่มายุคนี้ไม่ใช่ของเหลอวิสัยเราเชื่อไหมว่าเขาประกอบอย่างงั้นบินได้มม่เชื่อไดอย่างไงเพรเห็นจริงๆแต่ถ้าว่ามันหมดยุคไปแล้วโรงงานต่างๆมันพังระดีระนาดไปหมดแล้ว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 ท่านเคยเป็นฤาษีชีภัยมาก่อนจากนั้นท่านเข้ามาบวชกับบำเพ็ญตะปะบำเพ็ญญาณทัศนะจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลการแสดงอิทธิฤทธิ้นั้นเป็นของง่ายมากสําหรับพระอรหันต์ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ตามไม่จริงมายุคสมัยนี้จะมีหรือไม่ก็สุดแท้แย่ที่จะเดาเดาได้ยากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ท่านจะปวดอ้างได้ไง่ายๆทําไมจําเป็นจริงๆนะ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 ถ้ามีก็อยากจะเห็นท่านปินโทรตรวัชชาก่อนเขาประมาทมากตระงั้นแ่ละท่านก็เลยเหาะให้เขาดูแสดงอิทธิฤทธิให้เขาดูคนทั้งหลายก็นับถือเริ่มใสพระพุทธเจ้าก็บรญยายพินัย์บอกว่าปินโทตระวัชชะท่านเป็นพระหรหันต์นะนะท่านปินโทตรวัชชะถ้าเธอแสดงฤทธิ์อย่างนี้คนทั้งหลายนับถือท่านแต่องค์อื่นที่เขาแสดงฤทธิ์ไม่ได้ จะเขาจะได้ฉันอะไรเขาจะอยู่กินได้อย่างไรเพราะคนทั้งหลายมานับถือท่านเอตอติเลกธ า, าบลาภของท่านมากแล้วแล้วท่านเหล่านั้นจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามแสดงอิทธิฤทธิ์วอดอุตริมนุสธรรมทำมันยิ่งของมนุษย์ปรับอบัติภิกษุแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ปรับอบัติทุกกบวออุตตริมนุสธรรมปรับอบัติปาริจิตि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 ไม่เชื่อวันทรกสวรรค์มีตายและสูญคนเช่นนั้นอ่ะงอตายไปแล้วกันนั่นล่ะถ้าว่าไปเจอของทิงเข่าเราจะทำยังไงเหมือนกับวันรอบปฏิเสธรอบอันพุ่งนี่ไม่มีเนี่ยวันพรุ่งนี้ไม่มีถ้าวันพุ่งนี้มีเราจะทํำยังไงถ้าว่าคนที่เตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทถึงจะมีหรือไม่มีก็ตามก็ยังไม่ถึงเราก็เตรียมตัวเอาไว้เตรียมเงินเอาไว้เตรียมอาชีพเงี้ยเอาไว้ถ้ามันไม่มีล่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งซะ ไม่เห็นเสียหายอะไรแต่ถ้ามันมีละ่ะนี้ก็เหมือนกัน่แต่ถ้าว่าชาติหน้าไม่มีเราสั่งสมมาไว้เราสร้างคุณงามความดีไว้เราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะทำตัวไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนคนที่ทําคุณงามความดีผู้ที่อยู่ใกล้เราเขาก็สบายใจตรงกันข้าม ทางว่าเราทำกรรมชั่วเบียดเบียนคนอื่นเอารัดเอาเปียบคนอื่นใครมาอยู่ใกล้ก็เดือดร้อนทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่าไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเนี่ยชาติหน้าไม่มีใครจะฆ่าจะตีจะคดจะโกงอะไรใครก็ได้เพราะว่าชาติหน้าไม่มีจะทําความชั่วอะไรก็ทําได้ไม่ได้เกรงกลัวทางบาปเกรงแต่กฎหมายเท่านั้นนะแต่ว่าในที่แจ้งกลัวเขาเห็นแค่เองส่วนในที่มืด น, นั้นไม่กลัวใครทั้งหมดเพราะไม่เชื่อพอตายแล้ว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 อันนี้น่ากลัวคนประเภทอย่างนั้นแต่คนที่เชื่อในบาปในบุญนรกสวรรค์มีถ้าเราทําไปเนี่ยไปตกนรกหกมกไหมนะเรือว่าชาตินามีเราจะต้องในรับกรรมที่ตนได้กระทําไว้เราได้กระทําไว้ถ้าเราฆ่าเขาในชาตินี้เกิดชาติน่าเขาก็ไปฆ่าเราเยเรากลัวไหมเรากลัวตายไหมเราก็กลัวตายเพราะเราไปฆ่าเขาเนี่เขาก็ตายเกิดชาติน่ามาเขาเนมาฆ่าเราอีก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 อดีตชาติมาแล้วกงล้อกำเกวียนมาพบมาเจอกันเขาก็มาฆ่าเราเราก็ต้องตายด้วยน้ำมือของเขาเพราะเหตุอะไรเพราะเราทำกรรมเราทำไม่ดีไว้ในอดีตชาติก่อนพบก่อนนะู่นอ่ะอย่างพระโมกขลาเป็นตัวอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาไว้จากนั้นก็ถูกคนฆ่ามาทุกพบทุกชาติมาถึงชาตินี้ก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีอิทธิฤทธ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 อดีตอนาคตทุกอย่างพระพุทธองค์บอกว่าโมกขาลาสมควรตายเพราะเหตุไรเพราะ อ, อดีตชาติเพราะโมกขาลาฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะนั้นจากฆ่าแล้วพระโมกขาลาถูกฆ่ามาเป็นลำดับลาดับลาดับจนถึงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของโมกขาลาจะเข้าสู่ปรินิพานกรรมเก่าที่ได้ทำมาลก็ เ, เช็คบินคืนอีกอย่างเก่าอย่น แต่ออกจากชาตินี้ไปแล้วเป็นอโหสิกรรมกรรมให้ผลสำเร็จแล้วกรรมตามไม่ทันพโมกคลาเหมือนกับนกบินในอากาศไม่สามารถที่จะเห็นรอยนกบินได้นี้ก็เหมือนกันพระหันเข้าสู่ปรินิพานก็เหมือนกับไม่มีรอยในอากาศกรรมตามไม่ทันหมดเหมือนกับคนลงไปในน้ำอย่างนั้นอ่ะพอไปในน้ำเสร็จแล้วก่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 เป็นจิตธรรมที่บริสุทธิ์ไปแล้วเข้าอยู่สู่อวกาศของจิตอวกาศของธรรมแล้วไม่ได้อยู่ให้โลกดึงดูดอีกแล้วอันนั้นคือท่านพระโมคขาราที่ท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จบเพราะงั้นแต่ทางว่าท่านยังมีชีวิตต่อไปอีกนะถ้าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะะท่านก็จะต้องได้ถูกฆ่าอีกเพราะนั้นพระพุทธเจา้าจึงบอกพระโมคคลาสมควรแก่กรรมที่ได้กระทําไปแล้ว เพราะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยหลักของพุทธศาสนาในกรรมคือการกระทำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวนะนกรรมถ้าทำกรรมสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นจะต้องตามสนองถ้าทํากรรมดีไว้กรรมดีน่าจะตามสนองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามเราเพราะฉะนั้นอย่าไปทําในโอวาทพระปฏิโมกขะอุกตังทุกตังเสยโยปัจฉาตะปฏิรุกตังกรรมชั่วจะทําเสดยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเราเมื่อภายหลัง พราะนั้นพวกเราให้ประกอบแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราพวกเราจะพบแต่ความสุขความเย็นใจตลอดไปวันนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดมาแต่เรื่องจิตแตภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะสำหรับพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามองข้ามจุดนี้เด็ดขาดที่จะไปสู่นิพพานได้ อั น, นี้สงทานสินภาวนาหนุนกั น, นหนุนกันตามลาดับแต่พูดจะตัดสินใจใ จ, จ, จริงๆคือภาวนานการภาวนาเนี่แหละคือหลักที่จะพิสูจน์หรือหลักที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้คือปฏิบัติปฏิบัติกับคือภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่ง <นะ S 1> เมื่อจิตเป็นหนึ่งด้วยจิตสงบพอสมควรแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญา เดินวิปัสนาพิจารณาแยกแยะดูกายกับใจอย่างที่หลวงพ่อพูดกายเป็นยังไงใจเป็นยังไง ร, รูปธปรรมเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงท้านได้ให้มองเห็นทั้งรูปธรรมรูปธรรมนคืออะไรคือร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งร่างกายของพวกเราตั้งแต่หัวจดเท้าในร่างกายไม่มีอะไรบ้างใหู้ให้กาหนดดูให้พิจารณาดู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 พอตายใจออกจากร่างแล้วก็ถ้าว่าไม่มีใครเผาไม่มีใครฝังนะมันเขไปนอนอยู่ในพื้นแผ่นดินขึ้นอืดผลใ น, นส่วนกรอบแมลงวงมแมลงวันพวกสัตว์ป่าปวกอะไรมันก็มาแทะมากินแล้วทีนี่ร่างกายของคนเราเหลือแต่กระดูกต่อไปกระดูกก็ฝนตกล้ำมาหลายปีลุยลงไปไปตกอยู่ในแผ่นดินกองเกลือนอยู่นะขาวโพลนผลในส่กนกายเป็นดินไปเมื่อหลายร้อยหลา ย, ลายพันปี เอาไปก็ก่อนไปเรื่อยๆนี่แหละร่างกายของคนเราร่างกายของสรรพสัตว์ทางหลายเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าคนทําไม่เผาถ้าเผาแล้วเป็นยังไงคนตายเขาจับเข้าไปในหีบเมื่อหีบศพเสร็จแล้วก็ฉีดยาไว้ให้เน่าพอฉีดเจอแล้วก็ได้ข่าวกักไปเผาไฟเอาเข้าเมนเอาเข้าเมรแล้วเป็นไงเป็นกระดูกจะเอาให้มากให้น้อยก็ได้ไฟแรงไฟข่อยจากนั้นก็เอาดูไปโปรยทิ้ง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 ออกไปจากร่างกายแล้วขนาดนนะ่ะบุญกุศลก็จะเข้ามาพานำของเราไปสู่สุคติตามกติภพของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้ถ้าหาใครทําบุญมากจะไปที่ไหนก็ได้ทั้งหมดถ้าหากคาทําบุญน้อยก็ไปเกิดในภพภูมิที่ไกลเพราะนั้นพวกเราอจาประมาทนะคำว่าประมาทคํานี้นะ่ะไม่ใช่คือไม่ตั้งใจไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนอยู่แบบไม่คิดอยู่แบบลอยๆ อยู่แบบไม่เชื่ออยู่แบบไม่ตั้งใจอย่างนี้นะท่านบอกประมาททั้งหมดความว่าไม่ประมาทก็คือให้ไข้ควรไตรตรองพิจารณาเหตุและผลอยู่เสมอเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปไข้ควรทบทวนดูจากนั้นก็กําหนดภาวนาดูทําจิตให้สงบดูแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายดูใจเป็นไงกายเป็นไงใจเป็นยังไงกําหนดดูจิตใจของเราจากนั้นก็พิจารณาถึงมรณะ จากนั้นพิรณาถึงความตายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้นจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นั่นแะความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะอยู่ที่ใจของพวกเราแน่นหนามั่นคงที่สุดจะไม่หวั่นไหวถ้าเราปฏิบัติทางธรรมเพราะนั้นถ้าว่าเราเรียนปริยัติอย่างเดียวนะเราเรียนปริยัติอย่างเดียวก็ไม่ประมาทนะปริยัตินี่ก็อเป็นหนทาง ที่จะให้เราได้รู้อะไรเห็นแต่ถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วมันจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราเรียนแผนที่แล้วเราไม่เดินตามอย่างนั้นอ่ะถึงเราจะเรียนขนาดไหนก็จะคล่องแคล่วในแผนที่ขนาดไหนแต่เราไม่เดินตามแผนที่มันก็ไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ก็เหมือนกันคนเราถ้าหาว่าเรียนจะปริยัตเรียนเรียนเรียนเหมือนกับเคี้ยวอาหารอยู่ในปากแต่ไม่กลืนเข้าไปในท้อง ไม่ได้คืนเข้าไปในลำไส้ลำไส้ก็ไม่ย่อยคนนั้นจะมีกำลังมาได้อย่างไรไม่มีกำลังเพราะเหตุใดเพราะว่าไม่ได้ลืนอาหารเข้าไปในท้องถ้าคืนเข้าไปในท้องทีนี่มันย่อยอาหารที่นี่ร่างกายจะแข็งแรงอันนี้ก็เหมือนกันทางาเราเรียนปริยัติอย่างเดียวมันเราไม่ได้ปฏิบัติกับลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ยินจากครูบาอาจารย์แล้วลงมือประพฤติปฏิบัตินะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนานั่งอย่างพระประทานเนี่แหละทำใจให้สบายสบายไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันนึกพุทโธพุทโธพุทโธในใจนั่นแหละอันนี้นแหละวิธีดูจิตดูใจถ้าจิตใจของเราเข้าสงบจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งนะได้แล้วนะั่นแะ นัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะเได้ริมรถแห่งความสุขที่แท้จริงคือความสงบนะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดมาก็เป็นเวลาอันยาวนานตอนนี้ไปก็ให้พวกเรานั่งสมาธิการนั่งสมาธิหลวงพ่อพานั่งหลวงพ่อไม่พานั่งนานเพราะการนั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นกลุ่มเนี่ยเราจะไปนั่งนาน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 ที่ถูกต้องนะอันนี้เป็นเครื่องนําให้พวกเราได้ศึกษาเบื้องต้นวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ที่จะเอาจริงเอาจังนั้นพวกเราจะต้องนําไปกุติที่พักของเราว่างๆเดินโยกกลมนั่งสมาธิภาวนาตามลําพังสู้อย่างสุดๆว่างั้นแถอะนั่นแหละจะเป็นหนทางของเราที่จะค้นทุกตามพุทธประเพณีของพวกพทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสงค์ว่ากั้นเถอะอันนี้พวกเรานั่งสมาธินะี่ก็คือเป็นการ นั่งรวมกลุ่มกันเพื่อจะได้รู้วิธีการปฏิบัตินำไปพุทปฏิบัติสำหรับตัวเองในอนาคตเท่านั้นเองนะะตอนนี้ไปก็นั่งสมาธินะเมื่อนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ประนมมือแลลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโอสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงกบริกรรมพุทโธพุทโธนะ